ถ้าไม่ลงพระปฏิโมกปรับอวบอสงสี่องค์ในแปลว่าสงสมบูรณ์สมบูรณ์ในสงแต่ถ้าหากว่าอัพพานใกล้พระออกจากอาบบ ต, ต้องใช้ยี่สบองค์ยี<อ>่สิบองค์เป็นเป็นผู้อัพพาพลพระที่ออกบัดจากอวบ อ, อันนั้นคืออีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าในสงของพระพุทธเจ้าเนี่ย